คุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไม้นะคะกลับมาเจอกันที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะกับเรื่องชีวิตโยคียจากหนังสืออาตชีวประวัติของท่านปรมหังษาโยคา น, นันทะซึ่งท่านเป็นโยคียตัวจริงนะคะและก็เป็นครั้งแรกที่โยคียมาเขียนเรื่องโยคียให้โลกภายนอกได้รับรู้เป็นหนังสือที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลกค่ะ มีแปลเป็นภาษาไทยนะคะที่ดิฉันนำมาเล่าให้คุณได้ฟังทำให้เราได้รู้ถึงวิถีชีวิตของโยคีซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติโยคะตามแนวทางการเข้าสู่ความเป็นจริงของนักบวชในศาสนาฮินดูค่ะมีเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์แล้วก็มีเรื่องธรรมะที่อ่านแล้วชุ่มชื่นหัวใจดีไม่น้อยนะคะ วันนี้มาถึงตอนที่21แล้ววันนี้จะเป็นตอนเกี่ยวกับเรื่องของท่านลาฮิริมหาสยาค่ะกับชีวิตของท่านในฐานะที่ท่านได้รับสืบทอดมาจากท่านบาบาจีให้มาถ่ายทอดกิริยาโยคะกับผู้ที่ต้องการจะเข้าถึงพระเป็นเจ้าหรือว่าต้องการจะเข้าถึงธรรมะนะคะถ้าพูดง่ายๆอย่างเราๆ วันนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่ชื่อว่าชีวิตดุจทูตสวรรค์ของท่านลายิริมหัศยาซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์ของท่านโยคานันทะเป็นชีวิตที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะคะสนุกค่ะรับรองสนุกและก็ได้ข้อคิดมากมายในเชิงของการแสวงหาทางจิตวิญญาณคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เราตามติดชีวิตโยคีกันต่อเลยค่ะกับตอนที่21ค่ะหลังจากพบปะกันแค่ไม่กี่วันที่ละแวกราณีเขตท่านบาบาจีมหาคุรุ ก็ปล่อยท่านลาฮิริมหัศยะให้กลับมาทำหน้าที่ที่มีต่อโลกภายนอกต่อไปโดยบอกว่าเมื่อใดที่ท่านลาหิริมหัศยะผู้เป็นสิทธต้องการท่านท่านก็จะไปหาทันทีจากนั้นท่านลาหิริมหัศยะก็กลับมาใช้ชีวิตเงียบๆ เ, เหมือนกับผู้ครองเรือนที่ดีทั้งหลายการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณ ด้วยวิธีของกิริยาโยคะที่ได้รับถ่ายทอดจากท่านบาบาจีเริ่มต้นเมื่อปี1861หัวหน้ากองชาวอังกฤษเป็นคนกลุ่มแรกๆที่รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงอันเหนือธรรมชาติในตัวลูกน้อง <S <S 1> <S 1> หัวหน้าคนนี้มักจะเกรียกท่านลายฮิรีมหาศยะว่าบาบูผู้เปี่ยมสุข วันหนึง่งทัาลายฮิวริสังเกตว่าหัวหน้ามีสีหน้าหมองหมอง mm hmm. ก็เลยสอบถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในวันหนึง่งว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าภร mm hmm. รยาฉันอยู่ที่ประเทศอังกฤษตอนนี้กำลังป่วยหนักมากฉันเป็นห่วงจนไม่รู้จะห่วงยังไงแล้ว mm hmm. เดี๋ยวผมจะไปดูให้ได้เรื่องอย่างไรแล้วจะมาบอกพอพูดจบ ท่านลายฮิริมหายสยะก็ออกจากห้องไปนั่งที่มุมอันเงียบสงบสักครู่ก็เดินกลับมาพร้อมรอยยิ้มภรรยาของหัวหน้าอาการดีขึ้นแล้วครับตอนนี้กําลังนั่งเขียนจดหมายถึงหัวหน้าอยู่แล้วท่านก็บอกถึงข้อความบางตอนที่ภรรยาของหัวหน้ากําลังเขียนคือสามารถบอกได้เลยว่าตอนเนี้ยภรรยาของหัวหน้าเนี่ย เขียนจดหมายว่าอะไรหัวหน้าชาวอังกฤษก็บอกว่าบาบู oo, ผู้เปี่ยมสุขฉันรู้แล้วว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเราๆแต่ฉันก็ไม่อาจทำใจให้เชื่อได้ว่าคุณสามารถกำจัดกฎว่าด้วยเวลาและระยะทางออกไปได้ตามใจชอบแต่สุดท้ายหัวหน้ากองก็อัศจรรย์ใจ เมื่อได้รับจดหมายจากภรยาจดหมายนั้นไม่เพียงแต่จะบอกข่าวดีเรื่องที่ภรยาหายป่วยแต่ข้อความบางตอนยังตรงกับที่ท่านลาหิริมหัศยะเคยกล่าวไว้เมื่อหลายอาทิตย์ชนิดคำต่อคำเลยทีเดียวหลายเดือนต่อมาภรรยาของหัวหน้ากองคนนั้นเดินทางมายังอินเดียแล้วพอพบกับท่านลาหิริมหัศยะ เธอก็มองมาที่ท่านอย่างเคารพนับถือท่านคะตัวท่านนี่เองที่ดิฉันมองเห็นอยู่ในรัศมีอันสว่างจ้าเมื่อหลายเดือนก่อนตอนที่นอนป่วยอยู่ที่ลอนดอนชั่วขณะจิตนั้นดิฉันก็หายป่วยเป็นเปรดทิ้งหลังจากนั้นไม่นานดิฉันก็สามารถเดินทางไกลข้ามมหาสมุทรมาจนถึงอินเดียนี นี่เป็นช่วงแรกๆที่มีคนตระหนักในความพิเศษของท่านลายฮิริมหัสยะจากนั้นวันแล้ววันเล่าท่านก็ได้ถ่ายทอดกริยาโยคะให้กับสานุสิ์ทีละคนสองคนนอกจากหน้าที่ในทางธรรมหน้าที่รับผิดชอบต่ออาชีพการงานและครอบครัวท่านยังให้ความสนใจกับเรื่องการศึกษาเป็นพิเศษ ท่านจัดตั้งกลุ่มการศึกษาขึ้นหลายกลุ่มโดยเข้าไปช่วยพัฒนาโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในย่านเบการีตลาของเมืองพาราณสีอย่างแข็งขันและเมื่อถึงกำหนดการประชุมประจำสัปดาห์ท่านก็จะอธิบายความในคำพีต่างๆให้ผู้มุ่งมั่นสแสวงหาสัจธรรมได้ฟังกัน เรียกว่าท่านใช้เวลาอย่างสุดแสนจะคุ้มค่าทั้งการทำงานในอาชีพและการทำหน้าที่ต่อสังคมแล้วก็การปฏิบัติสมาธิชีวิตอันสอดคล้องและสมดุลของท่านผู้เป็นทั้งครืหัดและเป็นทั้งคุรุผู้ยิ่งใหญ่ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับชายหญิงนับพันนับหมืน่นท่านมีรายได้ไม่มากแต่รู้จักมัธยั และไม่ว่าใครก็เข้ามาหาท่านได้ดังนั้นแม้จะใช้ชีวิตเยี่ยงผู้ครองเรือนแต่ท่านก็ยังรักษาวินัยในทางธรรมเอาไว้ได้อย่างเป็นสุขและเป็นปกติวิสัยท่านให้ความเคารพต่อทุกผู้คนโดยไม่ใส่ใจว่าจะมีคุณธรรมสูงต่ำต่างกันแต่ประการใดเมื่อสิทธิ์กราบคารวะท่านก็จะน้อมคำนักตอบท่านมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนเด็ก มักก้มตัวลงสัมผัสเท้าผู้อื่นเพื่อแสดงคารวะแต่ไม่ค่อยยอมให้ผู้อื่นคารวะท่านด้วยวิธีการเดียวกันนี้ทั้งๆที่การแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์เช่นนี้เป็นธรรมเนียมเก่าแก่แต่โบราณของทางตะวันออกความโดดเด่นอีกประการหนึ่งของท่านลายหิริมหัสยะคือท่านจะสอนเกิริยโยคะให้กับคนทุกศาสนาไม่เฉพาะแต่กับชาวฮินดูเท่านั้น สิทธิ์เอกของท่านมีที่เป็นชาวมุสลิมและคริสต์อยู่หลายคนจะเป็นพวกศรัท ธ, ธาในพระเจ้าองค์เดียวหรือหลายองค์นับถือหลายศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาใดเลยท่านก็สั่งสอนและถ่ายทอดวิชาให้โดยเสมอหน้ากันทั้งหมดหนึ่งในสิทธิผู้มีความก้าวหน้าในทางธรรมอย่างสูงของท่านเป็นชาวมุสลิมชื่อว่าอับดุลกูฟูคานตัวท่านเองนั้น อยู่ในวั น, นะพราหมณ์ซึ่งเป็นวั น, นะสูงสุดแต่ท่านก็ยังทุ่มเทความพยายามเข้าไปสลายการยึดถือชั้นวั น, นะอันเข้มงวดในยุคนั้นอย่างกล้าหาญท่านให้ความหวังใหม่แก่พวกนอกวันนะและผู้คนที่ถูกสังคมกดขี่ จงจำไว้ว่ามนุษย์เราไม่ได้เป็นสมบัติของใครและไม่มีใครเป็นเจ้าของเราพึงระลึกอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งมนุษย์เราก็จะต้องพากจากทุกสิ่งในโลกนี้ไปอย่างกะทันหันเพราะฉะนั้นจงทำความคุ้นเคยกับเพราะเป็นเจ้าเสียแต่เดี๋ยวนี้จงเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับการเดินทางสู่โลกทิพย์หลังความตายที่ใกล้เข้ามา โดยการล่องไปในบอลลูนแห่งทิพยายาญทุกๆวันมายาทาให้เราหลงผิดคิดว่าตนเองมีตัวตนเลือดเนื้อทั้งๆที่มันเป็นเพียงรวงรังรองรับความทุกข์ที่สุมเข้าใส่จงปฏิบัติสมาธิให้เจริญอยู่เป็นนิดเพื่อให้ตรหนักรู้ในเร็ววันว่าแท้จริงตัวเราก็คือแก่นแท้ของพระผู้เป็นนิรันด์เป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง เลิกเป็นนักโทษที่ถูกจองจำอยู่ในกายสังขารสถทีใช้กริยาโยคะเป็นกุญแจลับในการเรียนรู้หนทางหลบหนีไปสู่พระเป็นเจ้าให้จงได้ท่านสนับสนุนให้สิทธยึดมั่นในศีลและข้อบัญญัติอันดีงามตามที่มีกำหนดไว้ในศาสนาของแต่ละคนคือไม่ได้บังคับให้ลูกศิษย์ต้องเปลี่ยนศาสนา ท่านเน้นย้ำว่าธรรมชาติที่มีทุกอย่างพร้อมสับของกริยาโยคะคือเทคนิควิธีที่สามารถนำไปสู่ความหลุดพ้นได้จริงในทางปฏิบัติท่านให้อิสระแก่สิทธิในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่แต่ละคนได้รับมา และถ้าสิทธิ์คนไหนต้องการจะบวชเป็นสัญญาศีหรือว่าเป็นนักบวชยังเป็นทางการท่านมักไม่ตกปากรับคำโดยง่ายแต่จะเตือนให้เขาได้คิดใครครวญเสียก่อนว่าจะใช้ชีวิตสมถะเรียบง่ายและเคร่งครัดในระเบียบวินยัยเยี่ยงนักบวชทั้งหลายได้แน่หรือเปล่าและท่านมักบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าอย่านาคมภีมาถกเถียงอภิปรายกันในแงท่ทฤษฎี คนฉลาดคือคนที่อุทิศตนเพื่อการรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมที่มีมาแต่โบราณคนฉลาดไม่ใช่คนที่เอาแต่อ่านตำราอยู่เพียงทายเดียวและจงแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยการเจริญสมาธิละทิ้งการคาดเดาอันไร้ประโยชน์แล้วหันมาหาความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอย่างแท้จริงแทนท่านบอกว่าจงล้างแผลฝีหนองของทฤษฎี ตามหลักศาสนวิทยาออกไปให้หมดจากใจเจ้าแล้วปล่อยให้สายน้ำทิพย์แห่งปัญญายานอันเที่ยงตรงและสดสะอาดไหลเข้ามาเยียวยาปรับจิตของเจ้าให้เชื่อมเข้ากับกระแสะแห่งพระผู้ทรงชี้นำทางจากภายในพระสุรเสียงนั้นมีคำตอบให้กับทุกปัญหาในยามที่ชีวิตถูกมรสุมรุมเรา้าถึงมนุษย์จะหาทุกมาสุมใส่ตนเองไม่หยุดหย่อน แต่พระผู้ประธานความช่วยเหลือก็ทรงมีปัญญาไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าทันหลายฮิริมหัสยามีสิทธิ์อยู่ต่างเมืองมากมายหลายคนรับรู้ได้ว่า ท่านคอยปกปักรักษาพวกเขาอยู่ใกล้ๆไม่ห่างหายเราจะอยู่กับผู้ปฏิบัติกริยาโยคะเสมอเราจะคอยนำทางให้เจ้ากลับคืนสู่บ้านแห่งจักรวาลผ่านยานทิพที่จเจริญขึ้นโดยไม่หยุดยั้งของเจ้าเอง และถ้าสิทธิ์คนไหนละเลยหน้าที่ในทางโลกของตนท่านก็จะสั่งสอนตักเตือนอย่างนุ่มนวลท่านอาจารย์สรียุคเตสวนเคยเล่าให้ท่านโยคานันท้าฟังครั้งหนึ่งว่าท่านอาจารย์ลาหิริมหัสยะเป็นคนพูดจาสุภาพนุ่มนวล และรู้จักรักษาน้ำใจคนแม้แต่ในเวลาที่ท่านจำเป็นต้องตำหนิข้อผิดพลาดของสิทธ์ตรงๆแต่ขคนั่นละนะคงไม่มีสิทธ์คนไหนรอดพ้นคำตำหนิแบบยิกแกมหยอกแรงๆของอาจารย์ไปได้หรอกท่านแบ่งศาสตร์แห่งกิริยาโยคะออกเป็นสีระดับ โดยจะถ่ายทอดโยคะวิธีสระดับหลังให้กับสิทธิที่มีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณอย่างแน่ชัดแล้วเท่านั้นวันหนึ่งมีสิทธิคนหนึ่งมั่นใจว่าท่านครูประเมินความสามารถของตนต่ำไปก็ไปต่อว่าท่านด้วยความขุนเคืองอาจารย์ขอรับกระผมมั่นใจว่า ตัวเองพร้อมจะเรียนกริยาโยคะขั้นที่สองแล้วตอนนั้นมีสิทธิผู้อ่อนน้อมคนหนึ่งชื่อพรินทะเดินเข้าประตูมาพอดีเขาเป็นบุรุษไปรส์นีของเมืองพาราณสีท่านอาจารย์ก็เลยเรียกพรินทะว่าพรินทะมานั่งใกล้ๆเราตรงนี้ไหนบอกเราทีเจ้าพร้อมจะเรียนกริยาโยคะขั้นสองแล้วหรือยังบุรุษไรส์ี ประนมมือขึ้นแล้วก็ร้องอุทธรณ์ว่าท่านครุเทวะขอรับอย่าให้กระผมฝึกขั้นสูงไปกว่านี้เลยกระผมขอละขอรับกระผมจะรับถ่ายทอดวิชาขั้นสูงกว่านี้อย่างไรได้ที่กระผมมาวันนี้ก็อยากจะขอให้ท่านช่วยสงเคราะห์เพราะว่ากริยาโยคะขั้นแรกทําเอาผมติดง่อมแงมอยู่กับปิติสุขจนไม่มีปัญญาออกไปส่งจดหมายได้แล้วพระินทะ เข้าถึงกระแสะแห่งพระเป็นเจ้าแล้วคำพูดนี้ของท่านลาฮิริมหัศยะทำให้สิทธิ์อีกคนถึงกับคอตกอาจารย์ขอรับกระผมรู้ตัวแล้วว่ากระผมมันไม่ได้เรื่องเองร่ำไม่ดีโทษปีโทษกรองบุรุษไพรสนีผู้ต่ำศักและก็ไร้การศึกษาผู้นี้อาศัยกิริยาโยคะทำให้ปัญญายานเจริญได้จนกระทั่งบางครั้ง นักวิชาการก็ยังต้องมาขอให้ตีความพระคำภีในบางประเด็นให้แม้จะบริสุทธิ์ไ ร, รเดียงสาไม่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องบาปกรรมและวรรณกรรมแต่พรินทะก็โด่งดังไปทั่วในฐานะของบัณฑิตผู้คงแก่เรียนลูกศิษย์ของท่านลายฮิริมหาสยะนั้นนอกจากชาวเมืองพรารณสีที่มีอยู่เป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีผู้คนนับร้อยนับพันจักทั่วทุกสารทิศของอินเดียมุ่งหน้ามากราบท่านส่วนตัวท่านเองก็เคยเดินทางามาเยี่ยมพ่อตาของบุตรชายทั้งสองที่เบงกอลอยู่หลายครั้งด้วยกันด้วยบารมีของท่านเบงกอลจึงกลายเป็นรวงรังของผู้ศึกษากริยาโยคะกลุ่มเล็กๆมากมายหลายกลุ่ม โดยเฉพาะย่านกรษณนะนครและพิษณุปุระมีสิทธิ์ที่เก็บตัวอยู่เงียบๆคอยสืบสารกระแสอันเกิดจากการฝึกสมาธิพัฒนาจิตวิญญาณไหลเวียนอยู่โดยไม่ขาดสายตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ในบรรดายโยคีผู้ได้รับถ่ายทอดกระยาโยคะจากท่านลาหิริมหัสยะมีท่านสวามีพาดกรานันทะสรัสวตีแห่งพรารณสี ท่านพาระานันทะพรหมาจารีหรือสีผู้สูงส่งแห่งเทวคานมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านลาหิริมหัศยรับเป็นพระอาจารย์สอนพิเศษให้กับโอรสของมหาราชาอิศวรีนารายันสิงหหะพระหทูลแห่งพระนสีองค์มหาราชากับโอรสทรงตระหนักดีว่าท่านครุเป็นผู้รู้แจ้งในธรรมแล้วจึงทรงฝากตัวเป็นศิษย์ ศึกษากริยาโยคะจากท่านเช่นเดียวกับมหาราชาโชตินะธระโมหันทากุลสิทธิของท่านลายฮิริมหัศยะมีอยู่ไม่น้อยที่มีตำแหน่งใหญ่โตในทางโลกพวกเขาต้องการเผยแพร่กริยาโยคะออกไปสู่คนหมู่มากโดยอาศัยการโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ท่านก็ไม่อนุญาต สิทธิผู้หนึ่งรับราชการเป็นแพทย์หลวงของมหาราชาแห่งพระนศีเขาพยายามที่จะรวบรวมสมัครพรรคพวกเพื่อหวังจะเผยพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของอาจารย์โดยยกย่องให้เป็นกาศีบาบาหรือว่าผู้สูงส่งแห่งพระนศีแต่ท่านก็ห้ามเอาไว้โดยบอกว่าจงปล่อยให้กลิ่นหอมของกิริยาโยคะราเพายไปตามวิถีอันเป็นธรรมชาติเถิด เล็ดพันธุ์แห่งกิริยาโยคะย่อมอย่างรากลงสู่ผืนดินซึ่งก็คือหัวใจอันมีจิตวิญญาณที่บริบูรณ์อย่างแน่นอนแม้ว่าท่านจะไม่ได้นำระบบการสอนผ่านสื่อกลางอันทันสมัยอย่างองค์กรหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์มาใช้แต่ท่านก็รู้ดีว่าภลรานุภาพแห่งคำสอนของท่าน จะเอ่อล้นดุดกระแสน้ำอันมีกำลังแรง <I am. S 1> ไหลบ่าท่วมท้นจิตมนุษย์ที่เปรียบได้กับฟากฟัง <I am. S 1> ชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่บริสุทธิ์สะอาดขึ้นของสานุสิทธิ์ <I am. S 1> ก็เป็นเสมือนหนึ่งคำรับประกันอันเรียบง่าย <I am. S 1> ว่าพลังแห่งกริยายโยคะจะดำรงอยู่ตลอดไปไม่มีวันดับสูญ <I am. S 1> ปี1น8 6ย 25ปีหลังจากได้รับถ่ายทอดศาสตร์แห่งกริยาโยคะที่ราณีเขตท่านลาหิริมหาสย ะ, กะเกษียนออกมาจากงานรับอำนานอยู่ที่บ้านช่วงกลางวันท่านจึงมีเวลาว่างมากขึ้นผู้คนที่ต้องการฝากตัวเป็นสิทธ์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นถึงตอนนี้ท่านมักจะนั่งสงบนิ่งอยู่ในคัสมาธิเพตเป็นส่วนใหญ่ และแทบจะไม่เคยออกจากห้องรับรองเล็กๆแห่งนี้เลยกระทั่งออกไปเดินเล่นหรือว่าเดินตรวจตราบริเวณอื่นภายในบ้านท่านก็ไม่ไปลูกศิษย์ลูกหาทยอยมาคารวะท่านกันเงียบๆอย่างแทบจะไม่ขาดสายส่วนใหญ่ก็คาดหวังว่าจะได้เห็นท่านเป็นบุญตาด้วยกันทั้งนั้น ใดที่ได้มาเห็นท่านก็อดนึกอัศจรรย์ใจไม่ได้สภาวะร่างกายที่ท่านฝึกไว้จนกลายเป็นวิสัยแห่งความเคยชินนั้นสแสดงให้เห็นถึงลักษณะอันอยู่เหนือธรรมชาติวิสัยของปุตุชนโดยทั่วไปนั่นก็คือไม่หายใจไม่หลับชีพจรไม่เต้นหัวใจไม่เต้น ตาสงบนิ่งไม่กระพริบได้นานหลายชั่วโมงและยังมีรัศมีแห่งความสงบอย่างยิ่งแผ่ซ่านออกมาโดยรอบทุกคนล้วนจากมาด้วยจิตใจที่อิ่มบุญเพราะต่างรู้ดีว่าท่านผู้เป็นตัวแทนเพราะต่างรู้ดีว่าท่านเป็นดังตัวแทนขององค์พระเป็นเจ้าที่ได้ประสาทพรให้กับตนอยู่เงีบเยบ กลับมาติดตามชีวิตที่เป็นดัง่งทูตสวรรค์ของท่านลาฮิริมหัศยาได้ในช่วงต่อไปนะคะหลังเพลงนี้ค่ะ กลับฟังเรื่องของท่านลาฮิริมหัศยะกันต่อนะคะกับเรื่องชีวิตโยคีชีวิตของท่านลาฮิริมหายศยะ เป็นตัวอย่างที่ช่วยเปลี่ยนทัศนะผิดๆที่ว่าโยคะคือศาสตร์ลี้ลับถึงแม้ว่าศาสตร์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติอาจจะดูจริงจังเข้าใจยากแต่มนุษย์ก็สามารถที่จะอาศัยกริยาโยคะเป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของตนกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมทำให้รู้สึกเคารพในปรากฏการณ์ทั้งปวงอย่างเข้าถึงจิตวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลี้ลับหรือเรื่องที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันก็ตามพึงกระลึกอยู่เสมอว่าหลายสิ่งที่หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้เมื่อพันปีก่อนปัจจุบันมิใช่เช่นนั้นอีกต่อไปชั้นใดสิ่งที่เป็นความลี้ลับในทุกวันนี้ก็อาจหาเหตุผลมาอธิบายเป็นหลักเกณฑ์ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าชันนั้นศาส์แ่งกิริยาโยคะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการเวลา เป็นจริงดุจเดียวกับวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกฎธรรมดาในการบวกลบเลขกฎแห่งกริยาโยคะจะไม่มีวันถูกทำลายลงไปได้ต่อให้มนุษย์เปล่าเอาตำราคณิตศาสตร์มาเผาทิ้งจนหมดโลกความคิดอ่านที่มีเหตุมีผลก็จะยังค้นพบหลักความจริงทางคณิตศาสตร์เดิมๆได้อยู่ร่ำไปฉันใดก็ฉันนั้นแม้ว่าจะทำลายตำรายโยคะให้หมดไปจากโลกนี้หลักพื้นฐานของโยคะ ก็จะยังเผยตัวออกมาทุกครั้งที่มีนักบวชพูดถึงพร้อมในความพักดีและปัญญายาณอันเป็นผลตามมาอุบัติขึ้นในโลก mm. ท่านบาบาจี mm. เป็นหนึ่งในองค์มหาอวตารหรือว่าอวตารผู้ยิ่งใหญ่ท่านศรียุคเตสวนได้รับการยกย่องให้เป็นองค์ยานาวตารคืออวตารแห่งปัญญา ท่านลายฮิริมหัสยะก็คือองค์โยคาวาตานหรือว่าอาวาตาลแห่งโยคะท่านได้ยกระดับจิตวิญญาณของสังคมให้ได้มาตรฐานทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณโดยการเผยแผ่สัจธรรมไปสู่ผู้คนในวงกว้าง ก็อาจจะเรียกได้ว่าท่านลาหิริมหัสยะท่านได้เปิดประตูให้ทุกคนที่ไม่ใช่เฉพาะชาวฮินดูได้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติโยคะและก็ได้ประโยชน์จากโยคะแม้ว่าจะไม่ได้ยอมรับนับถือศาสนาฮินดูก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะปฏิบัติโยคะอาสนะนะคะเราก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนอกจากนี้ค่ะในฐานะผู้ครองเรือนท่านหละหิริมหัศยะก็ได้นำเอาสาระสำคัญของคำสอนที่สามารถนำมาปฏิบัติให้เห็นผลได้จริงออกมาสนองตอบต่อความจำเป็นของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีสภาวะการทางเศรษฐกิจและศรัทธาความเชื่อที่แตกต่างไปจากอินเดียในยุคโบราณท่านไม่สนับสนุนให้โยคียสละโลกถือบาทออกเร่ร่อนรับทานอย่างที่เคยถือปฏิบัติกันมาเช่นในอดีตแต่ท่านจะเน้นย้ำให้ผู้เป็นโยคยีหรือทีเออ่เป็นผู้ที่ปฏิบัติโยคะเนี่ย น, นะคะเห็นถึงคุณประโยชน์ของการหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง ไม่พึงพาอาศัยสังคมที่ถูกบีบคั้นอย่างหนักอยู่แล้วให้ต้องมารับภาระให้และให้ปฏิบัติโยคะในบ้านที่พักอาศัยส่วนตัวของตนเป็นสำคัญนอกจากให้คำแนะนำนี้แล้วนะคะท่านลาหิริมหัสยะอย่างให้กำลังใจด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างของโยคีที่ปฏิบัติตนให้ง่ายและกลมกลืนกับยุคสมัยใหม่วิถีชีวิตของท่าน ตามที่ท่านบาบาจีได้กำหนดเอาไว้เป็นไปเพื่อนำทางให้กับโยคีผู้มุ่งหวังจะบรรลุธรรมในทั่วทุกหัวระแหงบนโลกนี้เพราะฉะนั้นโดยอาศัยกิริยาโยคะเข้าช่วยบุคคลผู้ทำใจให้เชื่อในทิพยสภาวะของมนุษย์ไม่ได้ ย่อมสามารถมองเห็นที่พยสภาวะในตัวตนได้ในท้ายที่สุดคือท่านลาหฮิบริมหาสยะเนี่ยบอกว่าการที่จะบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้า เป็นไปได้หากมนุษย์จะภาคเพียรโดยไม่มีความาไม่มีความเชื่อทางศาสนาแล้วก็ไม่เอาแต่รอคอยให้พระเจ้ามาโปรดคืออาศัยกริยาโยคะเข้าช่วยเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธา แต่ถ้าภาคเพียงปฏิบัติก็จะได้เห<า>็นในที่สุดก็เหมือนกับในศาสนาพุทธของเรานะคะที่ครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนศาสนาธรรมะไม่ใช่เรื่องของศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบธรรมะนั้นต่อให้ไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาแต่ถ้าปฏิบัติก<า>็<า> <puppies> <พน>จะได้พบผล เหมือนกับคนที่เชื่อและศรัทธาเพราะนี่ไม่ใช่ความเชื่อความศรัทธาแต่นี่คือความจริงคือสภาวะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แต่ครูบาอาจารย์ที่บอกกล่าวเช่นนี้ก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่ใจกว้างมากนะคะคือเหมือนกับว่าเธอไม่เชื่อฉันก็ได้ เธอไม่ศรัทธาก็ได้แต่ถ้าเธอปฏิบัติตามนี้เธอเดินไปตามเส้นทางนี้เธอก็จะไปถึงไหนที่สุดแต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อไปถึงจุดนั้นคนที่ไม่เชื่อก็จะหันมาเชื่อและศรัทธาอย่างแท้จริงไหนที่สุดเช่นกันถ้าสิ่งสิ่งนั้นเป็นความจริงที่ไม่ใช่เพียงความเชื่อครั้งหนึ่งทันโยคานันทะ เคยถามอาจารย์ศรียุคเตสวนว่าเคยพบกับท่านบาบาจีบ้างหรือไม่เคยสิครูได้มีวาสนาพบกับท่านคุรุผู้อยู่เหนือความตายสามครั้งเราพบกันครั้งแรกที่งานกุมพเมลาในเมืองอัลลาฮบาดงานกุมพเมลา เป็นงานเทศกาลทางศาสนาที่จัดขึ้นในอินเดียมาแต่ครั้งโบราณเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณของงานยังคงอยู่ในท่ามกลางฝูงชนที่มุ่งหน้ามาร่วมงานกันไม่ขาดสายชาวฮินดูผู้มีศรัทธาแก่กล้าหลายล้านคนจะมาร่วมชุมนุมกันทุกๆรอบ12ปีเพื่อมาพบกับเหล่าสาธุโยคีสวามีและก็นักบวชในลทัทธินิกายต่างๆนับพันๆ หลายท่านเป็นฤาษีที่ไม่เคยย่างกลายออกจากสถานที่ปรีวิเวกเลยแต่ว่าก็มาร่วมงานนี้ท่านครูฤาษียุคเตสวนบอกว่าตอนที่ได้พบกับท่านบาบาจีนั้นท่านเองยังไม่ได้บวชนะคะแต่ว่าได้รับการถ่ายทอดกิริยาโยคะจากท่านลายฮิริมหัศยะแล้วและท่านสนับสนุน ให้ท่านศรียุคเตสวนเนี่ยไปร่วมงานเมลาที่เมืองอัลลาฮาบาดในเดือนมกราคมของปี1894และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ท่านศรียุคเตสวนได้ไปร่วมงานกลุ่มพระเมลาท่านก็เล่าให้กับท่านโยคานันทะฟังว่าตอนนั้นครูอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสับสนมึนงงกับเสียงอุกทึกและคลื่นมนุษย์จานวนมหาศาล ครูมองหาไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นวี่แววของท่านอาจารย์ผู้รู้แจ้งเลยตอนเดินข้ามสะพานที่ริมฝั่งแม่น้ํำคงคาครูก็เห็นนักบวชที่คุ้นตารูปหนึ่งยืนถือบาตรรอรับทานอยู่ไม่ไกลตอนนั้นครูก็นึกในใจว่าโธ่เอ้ยงานเทศกาลนี้ไม่เห็นจะมีอะไรนอกจากเสียงอุกตะทึกครึกโครมกับขอทานเท่านั้น สงสัยว่าอย่างนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ของโลกตะวันตกผู้ภาคเพียรขยายขอบเขตของความรู้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจะไม่เป็นที่โปรดปรานของพระเป็นเจ้ายิ่งไปกว่าคนเกียดคร้านที่เอาศาสนามาบังหน้าแล้วก็ถือกลาขอทานเหล่านี้ได้อย่างไรในขณะที่ใจของครูระอุคุกรุนไปด้วยความคิดในเรื่องการปฏิรูปสังคมจู่ กระถูกขัดจังหวะด้วยเสียงของท่านสัญญาเสียร่างสูงผู้มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้านี่ท่าน ม, มีโยคยีท่านหนึ่งเรียกให้ท่านไปพบโยคยีท่านนั้นคือใครกันขอรับมาดูเอาเองเถิด<ม>ครูทำตามคำแนะนำที่ห้วนสั้นนั้นอย่างลังเลในไม่ช้า ก็มาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านเป็นร่มเงาให้กับครุและก็สานุษิ์กลุ่มใหญ่ที่ดูน่าสนใจกลุ่มหนึ่งครุท่านนี้มีรูปร่างหน้าตาผ่องใสผิดจากคนทั่วไปดวงตาสีเข้มเป็นประกายท่านลุก ข, ขึ้นเมื่อเห็นครูเดินเข้าไปใกล้แล้วก็ตรงเข้ามาโอบกอดครูไว้ท่านสวามี ยินดีต้อนรับท่านกล่าวต้อนรับอย่างยินดีท่านขอรับกระผมไม่ได้บวชกระผมไม่ใช่สวามีครูตอบกลับไปหนักแน่นแบบนี้แต่ท่านก็กล่าวกลับมาว่าบุคคลใดก็ตามที่เบื่องบนกำหนดให้ท่านเปียกหาเป็นสวามีย่อมไม่มีวันแปลเปลี่ยนเป็นอื่นไปได้ ท่านโยคยีบอกกับครูง่ายๆแต่มีความจริงอันหนักแน่นแฝงอยู่ในถ้อยคำเหล่านั้นครูรู้ได้ในทันทีว่าท่านประสาทพร อ, อันประเสริฐให้แก่จิตวิญญาณของครูและครูก็อดยิ้มไม่ได้ที่จูจ่ๆตัวเองได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของสำนักบวชอันเก่าแก่ครูก้มตัวลงกราบที่แทบเท้าของท่านผู้เห็นได้ชัดเจนว่า เป็นตัวตนของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในร่างมนุษย์แต่กลับให้เกียรติแก่ครูนักหนาท่านบาบาชีเป็นท่านจริงๆท่านพายมือบอกเป็นในายให้ครูเข้าไปนั่งใกล้ๆท่านที่ใต้ร่มไม้ท่านยังหนุ่มแน่นแข็งแรงหน้าตาดูคล้ายท่านลาหิริมหาสยา แต่ครูไม่ได้สะดุดใจในความละไม้คล้ายครึงนั้นแม้แต่น้อยทั้งๆที่เคยได้ยินคนพูดถึงอยู่บ่อยๆว่าท่านครุทั้งสองมีหน้าตาคล้ายกันอย่างน่าอัศจรรย์ท่านบาบาจีมีอำนาจที่จะดนใจคนไม่ให้เกิดความคิดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นในใจและเห็นชัดว่าท่านมหาครุประสงค์จะให้ครูเป็นตัวของตัวเองในยามที่อยู่ต่อหน้าท่าน ไม่เช็เกรงไปหมดเพราะรู้ว่าท่านเป็นใครท่านถามครูในตอนนั้นว่าเจ้าคิดอย่างไรกับงานกลุ่มพะเมลาครูก็ตอบไปว่าครูผิดหวังจนกระทั่งได้มาพบกับท่านลูกเอ้ย ถึงคนที่ทําไม่ถูกไม่ควรจะมีอยู่ด่า ด, ดื่นแต่ก็ไม่ควรจะว่าเหมารวมกันไปหมดทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนผสมปนเปเหมือนเอาทรายมาผสมกับน้ําตาลจงเป็นดุดมดที่มีปัญญาเลือกเอาแต่น้ําตาลแล้วก็ทิ้งทรายไว้โดยไม่ไปแตะต้องถึงที่นี่จะมีสาธุจํานวนมากที่ยังหลงวนเวียนอยู่ในมายาคติ แต่ก็ใช่จะขาดผู้มาร่วมงานที่บรรลุถึงพระเป็นเจ้าแล้วเสียเลยทีเดียวตอนนั้นครูเห็นพร้องกับท่านโดยไม่ลังเลแล้วครูก็ตั้งข้อสังเกตกับท่านว่ากระผมกำลังคิดถึงนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกตะวันตก พวกเขามีสติปัญญามากกว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่มาชุมนุมกันณนะที่นี้อาศัยอยู่ในยุโรปและอเมริกาอันห่างไกลมีศรัทธาความเชื่อที่ต่างไปและไม่รู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของงานเมลาเหมือนที่กำลังดำเนินอยู่ในตอนนี้เลยพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่น่าจะได้รับประโยชน์สูงจากการพบปะ ก, กับครูบาอาจารย์ของทางอินเดียเราแต่กระนั้นชาวตะวันตกจานวนมาก ก็ยังหลงติดอยู่กับวัตถุนิยมทั้งๆที่มีสติปัญญามีความรู้ความสามารถสูงคนอื่นๆที่มีชื่อเสียงในแวดวงวิทยาศาสตร์และปรัชญาก็ไม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเอกภาพทางศาสนาเลยศรัทธาของพวกเขากลับกลายเป็นอุปสรรคที่พวกเขาไม่อาจจะข้ามพ้นยังผลให้ไม่อาจจะรวมเข้ากับพวกเราได้ตลอดการ เราเห็นแล้วหัวเจ้าสนใจโลกทั้งฝากตะวันออกและตะวันตกเรารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดในใจเจ้าใจที่กว้างพอสำหรับมนุษย์ทุกรูปทุกนามด้วยเหตุนี้เราจึงได้เรียกเจ้ามาหาโลกตะวันออกกับตะวันตกจะต้องสถาปนาทางสายกลางอันเรืองรองขึ้นประสานทางโลกและทางธรรมเข้าด้วยกันอินเดียยังจะต้องเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาทางวัตถุจากโลกตะวันตกอีกมากแต่เราก็สามารถสอนโยคะวิธีอันเป็นสากลให้กับโลกตะวันตกเป็นการตอบแทนเพื่อที่พวกเขาจะได้นำมันไปใช้เป็นรากฐานอันแข็งแกร่งมั่นคงให้กับศรัทธาทางศาสนาของพวกเขาเองส่วนตัวเจ้าเองนั้นเจ้าจะมีบทบาทในการแลกเปลี่ยน ที่กำลังจะมาถึงระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกในอีกหลายปีข้างหน้าเราจะส่งสิทธิ์ผู้หนึ่งไปให้เจ้าสอนสัง่งเพื่อที่วันข้างหน้าเขาจะได้นำศาสตร์แห่งโยคะไปเผยแพร่ ย, ยังโลกตะวันตกที่นั่นมีผู้ต้องการแสวงทมเป็นจำนวนมากกระแสจิตของพวกเขาไหลบ่าเข้ามาหาเราดังกระแสน้ำอันเชี่ยวกราก เราเล็งเห็นว่าในอเมริกาและยุโรปมีผู้คนมากมายที่อาจพัฒนาจิตของตนจนประพัฒสอนขึ้นมาได้พวกเขากำลังรอให้มีใครสักคนไปปลุกพวกเขาให้ตื่นขึ้นเล่ามาถึงตอนนี้ท่านสียุคเตสวนก็หันมามองท่านโยคานันทะก่อนจะกล่าวด้วยรอยยิ้มในท่ามกลางแสงจันร์กระจ่างว่า ลูกเอ้ยเธอก็คือสิทธิ์คนที่ท่านบาบาจีสัญญาว่าจะส่งมาให้ครูเมื่อหลายปีก่อนนั้นจากนั้นท่านบาบาจีก็เอ่ยถึงคำภีพระกวัดขีต่างครูประหลาดใจมากเพราะคำชมไม่กี่คำของท่านแสดงให้เห็นว่า ท่านรู้ว่าครูเขียนอัธถาทิบายความในคำพีพระควัตคีตาเอาไว้หลายบทนี่คือคำขอร้องจากเราสวามีขอเจ้าจงทำงานอีกชิ้นหนึ่งด้วยเถิดเจ้าจะเขียนตำราสั้นๆว่าด้วยความสอดคล้องที่เป็นส่วนสำคัญพื้นฐานระหว่างคำพีของทางศาสนาคริสกับฮินดูเราได้หรือไม่เวลานี้ ลัทธินิกายที่แตกแยกย่อยออกไปทำให้คนไม่เข้าใจหลักพื้นฐานที่ยังความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นระหว่างศาสนาทั้งสองจงนำความเหมือนที่มีมาอ้างอิงให้ผู้คนได้เข้าใจว่าประดาบุตรผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากพระเป็นเจ้าล้วนนำสัต์ธรรมเดียวกันมาสอนสั่งผู้คนทั้งสิ้นตอนนั้น สี่ยุคเตส่วนก็บอกว่าท่านไม่รู้ว่าท่านจะสามารถทําได้สําเร็จหรือเปล่าแต่ท่านบาบาจีก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าลูกเอ๋ยเจ้าจักกางขาไปใหญ่เล่าแท้จริงแล้วทั้งหมดนี้เป็นผลงานของผู้ใดแล้วใครคือผู้กระทําในทุกสิ่งสิ่งใดที่พระเป็นเจ้าทรงชี้นําให้เรากล่าวออกมาสิ่งนั้นย่อมบังเกิดผลเป็นจริงจนได้ ครูจึงถือว่าตนเองมีความสามารถที่จะกระทำได้ตามพรที่ท่านมหาครุประสาทให้เลยตอบ ร, รับที่จะเขียนหนังสือตามคำของท่านแล้วก็ในตอนนั้นท่านบาบาจีก็ถามท่านศรียุกเตสวนว่ารู้จักท่านลาหิริมหาสยะหรือไม่ แล้วก็บอกว่าอย่าลืมเล่าเรื่องที่ได้พบกันให้ท่านลาฮิริมหัสยะฟังด้วยและเมื่อท่านสียุคเตสวนก้มลงกราบท่านบาบาจีท่านก็ยิ้มให้ด้วยความเมตตาแล้วก็บอกว่าเจ้าเขียนหนังสือเสร็จเมื่อใดเราจะไปหาเจ้าเมื่อนั้นแต่ตอนนี้คงต้องลากันแล้ว จากนั้นท่านสียุคเตสวนก็ขึ้นรถไฟจากอัลลาฮบาดกลับพาราสีในวันรุ่งขึ้นพอมาถึงอาสมของท่านลาฮิริมหัสยาท่านก็เล่าเรื่องที่ได้พบกับโยคีผู้น่าอัศจ ร, รในงานกลุ่มพระเมลาให้กับท่านลาฮิริได้ฟังเอา เจ้านึกไม่ออกดอกหรือว่าท่านเป็นใครดวงตาท่านลาหิริมหาสยะเป็นประกายด้วยความขบขันเรารู้แล้วเจ้านึกไม่ออกเพราะท่านประสงค์ให้เป็นเช่นนั้นท่านคือบาบาจีครุูผู้ประเสริฐเลิศล้ำหาใครเทียบมีได้ของเราเอง China, ท่านบาบาจีท่านบาบาจีผู้เป็นตัวแทนจากพระเป็นเจ้าหรือขอรับ ท่านบาบาจีผู้มาโปรดสัตว์ผู้สำแดงกายให้ใครเห็นหรือไม่เห็นก็ได้โอ้ยอยากย้อนเวลากลับไปตอนที่พบกับท่านได้จริงๆกระผมจะได้กราบคารวะลงที่แทบเท้าของท่านเอาเธอน้าท่านสัญญาแล้วว่าจะมาหาเจ้าอีกครั้งหนึ่งนี่นาะอาจารย์ขอรับท่านมหาครุได้ฝากความกระผมมาบอกท่านด้วยขอรับ บอกกับราฮิริว่าพลังที่สะสมไว้สำหรับชีวิตนี้เหลือน้อยเต็มทีงวดลงจนเกือบหมดแล้วหลังจากที่ท่านสียุคเตสวนเอ่ยคำพูดอันเป็นปริศนาที่ท่านบาบาจีฝากมาจบลงท่านลาฮิริมหัสยะก็สันสะท้าน ราวกับถูกสายฟ้าฟาดเข้าใส่ใบหน้าที่เคยยิ้มแย้มแปลเปลี่ยนเป็นเคร่งครึมอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนท่านกลายเป็นรูปสลักไม้ดูโศกสลดและก็ตั้งนิ่งไม่ไหวติงอยู่บนแทน่นร่างของท่านค่อยๆซีดลงจนปราศจากสีเลือดท่านสียุคเดชวนในขณนะนั้นตกใจมาก สิทธ์คนอื่นๆต่างก็จ้องมองท่านด้วยความหวั่นวิตกสามชั่วโมงผ่านไปท่ามกลางความเงียบสุดท้ายท่านลายฮิริมหัสยะก็หวนกลับคืนสู่ความร่าเริงตามวิสัยของท่านทั้งยังสนทนากับสิทธิ์แต่ละคนอย่างมากด้วยเมตตาทุกคนจึงพากันถอนใจอย่างโล่งอกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามได้ตอนหน้าชีวิตโยคีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ